ก็ความในพุทธวงต่อในหน้า318ที่กล่าวถึงการประกาศธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวโกณทัญญะที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศอินทรพละโพชฌงและมัคคสัตเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทุกเมื่อ คำว่าอินเดียพละโพชังคะมัคคะสัจจประกาสนังเนี่ยนะแม้สติปฐานสัมมาปทานและอิทธิบาทก็เป็นอันทรงถือเอาด้วยนะคือโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะถ้ากล่าวอินทรีย์พละโ พ, ะพชงองค์มักก็ชื่อว่าสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทชื่อว่ากล่าวแล้วด้วยการถือเอาอินทรีย์พละโ พ, ะพชงและมัคคะสัจจะเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจึงทรงประกาศธรรมะหรือแสดงธรรมะเป็นเครื่องประกาศโพธิปักจยธรรมสามสิบเจ็ดประการยกมาเป็นตัวอย่างแค่สี่อย่างคือโพธิปักจยธรรมประกอบไปด้วยกลุ่มสติปทานกลุ่มสัมมาปธานกลุ่มอิทิบาตกลุ่มอินทรีกลุ่มพะละกลุ่มโพชงกลุ่มอมมัชมีอยู่เจ็อย่างด้วยกันตรงนี้ยกมาแค่อินทรีพระละโพชชงมัช ยกมา4ประการขาดไป3อย่างแต่ถึงจะกล่าว4ประการ3ประการก่อนหน้านี้ก็แสดงแล้วเพราะว่าอย่างไรเสียผู้ใดไม่สามารถจะคัดค้านนิยานิกระทธรรมเทศนาของพระองค์ได้เพราะจริงๆแล้วการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ต้องแสดงทั้งสติประธานสัมมารประธานอิทิบาทอินทรียีพร ะ, ะโพชงองคมัชทั้งหมดนั่นแหละ เพราะว่าคุณธรรมหรือโพธิปักจยธรรม3ามิประการคุณธรรมเหล่านี้ที่เป็นเครื่องนำออกจากวัตทุต่อจากนั้นในมหามงคลสมาคมนะก็มงคลไหนมงคลละสูตรนั่นแหละอาเสวนาจจภารานังปันติตานันจเจเซวนาเนี่ยนะก็ะเป็นมหามงคลเลยนะเพราะเป็นมงคลที่ใหญ่มากเพราะมีการประชุมใหญ่ เทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลเนรมิตอัตภาพอันละเอียดประชุมกันในจั ก, กรวาล น, นี้นี่แลเล่ากันว่าในมหามงคลสมาคมนั้นเทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามมงคลปัญหากับพระโกนธัญญาทศพลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลทั้งหลายโปรดเทพบุตรองค์นั้นในมหามงคลสมาคมนั้นเทวดาเก้าหมื่นโกรธบรรลุพระอระหันต์ จำนวนพระ a r ย a บุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นกำหนดไม่ได้เลยด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะนอกไปจากนั้นคือนอกจากอินทรพละโพชฌงค์ที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยนะโปรดมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในสมาคมสมาคมไหนสมาคมมงคลนในสมัยแห่งการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองได้มีแก่เทวดาเก้าหื่นโกฏ มังคล น, นี้ก็เป็นสูตรที่มีการตรัสรูมากตั้งคําถามว่าทําไมมังคลสูตรนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรูเยอะถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆไม่ค่อยเด่นเท่ากับมังคลสูตรทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าในพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับมงคอลถามว่าสูตรไหนได้รับการสวดสาธยายมามากกว่าสูตรอื่นแต่ว่ามงคลสูตรเนี่ยนะ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันมนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสั่งสมอัธยาศัยในการสืบทอดทรงจำมงคลเนี่ยมากและขณะเดียวกันนั้นมงคล น, นั้นกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับเหมาะทั้งครวาดและบันปชิตเนี่ยนะันมงคล น, นั้นถือเมื่อมีงานอะไรเนี่ยจะยกใช้คำว่ามงคลตลอด มงคลโนมงคลนี่นนแต่สรุปว่าเขาคือมงคลเนี่ยนะก็ทําบุญถวายทําบุญเลี้ยงพระเป็นต้นก็สวดมงคลสาธยายมงคลงานทุกงานเนี่ยนะศาสตร์ทั้งหลายก็จะได้ยินมงคลกันมากมายเพราะฉนั้นมงคล น, นั้นจึงถือว่าเป็นธรรมะที่สัพพะสัตทั้งหลายได้ยินได้ฟังมากาผู้ที่เคยสั่งสมอัธยาศัยในการเรียนมงคลฟังมงคลมาเนี่ยนะ เหตุปัจจัยทําให้ย้ายจักรวาลไปอยู่จักรวาลอื่นเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลก็กลับมาจากมงคลจักรวาลเนี่ยนะมาฟังมงคลก็เลยบรรลุกันเพราะอาศัยเทศนาว่าด้วยมงคลครั้งใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทํายมกะปาฏิหารเพื่อย่ายีมานะของเดรธีทรงแสดงธรรมณภาคพื้นณภาอากาศก็คือเนระมิตจรวงจงกรมบนอากาศพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบนโรวงจงกรมนั้น เทวดาและมนุษย์แปดหมื่นโกรธบันลุพระอรหัตผู้ที่ตั้งอยู่ในผลสามเกินที่จะนับได้หมายถาว่าโสดาปฏิพนสกธาคามีผลอนาคามีผลไม่ต้องนับหรอกว่าเท่าไหร่เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงย่ำยีพวกเดรถีจึงทรงแสดงธรรมโปรดครั้งนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สาม จึงได้มีแก่สัตว์ประมาณ8 0ดหมื่นโกดได้ยินว่าพระโกนธัญญาสสดาตรัสรู้พระอภิสัมโพธิยานแล้วพรรษาแรกพระองค์อาศัยอยู่ในกรุงจันทวดีประทับอยู่ณพระวิหารจันทารามณที่นั้นพัฒมานพบุตรของพรหมหาศารชื่อว่าสุจินทะและสุพัฒมานพบุตรของยะโสธรพราหมณ์ ฟังพระธรรมเทศนาเฉพาะพระภาคของพระโกนทัญยพุทธเจ้ามีใจเลื่อมใสก็บวชในสำนักของพระองค์พร้อมกับมานบหมื่นหนึ่งแล้วบรรลุพระอรหันตในครั้งนั้นพระโกนทัญยศาสดาอันภิกษุแสนโกรธมีพระสุภททัทเธอเป็นประธานแวดล้อมแล้วยกปาติโมกขึ้นแสดงณนะเพ็ิเดือนเชิถักก็คื อ, คอวันเพ็ินเดือนเจ็ดนี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่ง การแสดงโอวาทปาติโมกนั้นสามารถแสดงเดือนอื่นก็ได้เช่นเดือนเจ็วันเพลเดือนเจดเนี่ย น, นะต่อจากนั้นเมื่อพระโอรสของออพระโกนธัญญาสาัสดาทรงพระนามว่าวิชิตเสนะก็คือบุตรชายของพระพุทธเจ้านะบนรรลุพระอระหันตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงณท่ า, ามกลางภิกษุพันโกดมีพระวิชิตเสนะเป็นประธานนั้นเป็นการประชุมครั้งที่สอง สมัยต่อมาพระองค์เสด็จจาริกไปในชนบททรงยังพระเจ้าอุเทนซึ่งมีชนเก้าสิบโกฎเป็นบริวารให้ทรงผนวดพร้อมด้วยบริษัทเนี่ยนะก็พระราชาทั้งหลายเนี่ยที่แบบไม่กลับบ้านกลับเมืองนะออกมาเที่ยวสวนพบพระพุทธเจ้าบวชต่อเลยก็มีไม่ใช่น้อยสมัยพุทธกาลเนี่ยเยอะมากคำว่าพระราชาโบราณนี่คือใครสมัยใหม่ก็คือกลุ่มผู้ว่าจะ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเจ้าเมืองทั่วๆไปเนี่ยนะหรือนายอำเภออำเภอโบราณ น, นั้ น, เ, นเรียกว่าเจ้าเมืองเหมือนกันมัทนท่านเหล่านั้นก็ออกบวชกันทั้นพระเจ้าอุเทนซึ่งมีบริวารก็บวชบวชแล้วก็บรรลุพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระอรหันต์เกโกรธมีพระเจ้าอุเทนนั้นเป็นประธานเวทล้อมแล้วทรงยกปาติโมขึ้นแสดงนั้นเป็นการประชุมครั้งที่สด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่า พระโกณธัญญะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีการประชุมภิกษุผู้เป็นพระทีนาศไร้มนทินผู้มีจิตสงบผู้คงที่สามครั้งครั้งที่หนึ่งประชุมภิกษุแสนโกดครั้งที่สองประชุมภิกษุพันโกธครั้งที่สามประชุมภิกษุ90้าสิบโกฎตัวเลขคำว่าโกธนั้นบางทีก็แปลว่าสิบล้านบางทีก็ไม่ได้แปลว่า10บล้าน อย่างเช่นผ้าพสบภาพเนี่ยนะภาพสบภาพเรียกว่าผ้า1โกดธนะคือคือเป็นเป็นเป็นหลักการนับซึ่งวิธีการนับของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นจะไม่เหมือนกันเลยนะตัวเลขเหล่านี้ซึ่งเป็นศัพท์ที่เป็นปุรณะสังขยาหรือว่าเป็นวิธีการนับแบบโบราณก็ตามหรือว่าจะเป็นจริงตามนี้ก็ตามอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรทําความเข้าใจเนี่ยนะ ก็คืออย่าไปจริงจังว่าถ้าพันโกดเนี่ยมันจะเท่าไหรเนาคนทั้งโลกจะได้หรือเปล่าเนี่ยบางทีถ้าไปคิดลักษณะนั้นอ า, อาจจะหนักใจบ้างแต่ว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยนะเพราะว่าตัวเลขบางอย่างก็เป็นตัวเลขศัพที่ที่กล่าวว่าจํานวนมากนั่นเองเนนะีเพราะไม่มีใครมานั่งเรียงนั่งนับหรอกได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราพูดถึงว่ า, าแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่โกณทัญญาเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าของเราล่ะ เขบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิชิตาวีประทับอยู่ณกรุงจันทวดีเล่ากันว่าพระองค์อันคนชั้นดีเป็นอันมากแวดล้อมแล้วเรียกว่าคนชั้นสูงนะคือก็พระราชามีพรามหมณ์ขึ้นหาบดีเป็นต้นเนี่ยวเวดล้อมพระองค์นั้นปกครองแผ่นดินอันเป็นที่อยู่แห่งน้ําและขุมทรัพย์พร้อมทั้งคุณเขาเมรุและ คุณเขายุคคันธรส่งไว้ซึ่งรัตนะหาประมาณไม่ได้โดยธรรมหมายว่าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนับว่าเป็นของพระโพธิสัตว์แต่ผู้เดียวเนี่ยนะแต่ว่าการปกครองของพระองค์นั้นใช้อะไรปกครองบอกใช้กุศลกรรมบทสิบในการปกครองฉนั้นจึงไม่มีอาทยากฎหมายอาทยาเนี่ยนะอาทญากรอาทญากรรมเป็นต้นไม่มีมันไม่ต้องใช้ศาสตราครั้งนั้น น, นะ ถามว่าทําไมก็คือผู้มีบุญมากเนี่ยนะเมื่อเป็นบริวารของผู้มีบุญไม่รู้จักขโมยไปทําไมไม่รู้จะโกนเพราะทุกคนมีอยู่มีใช้ทุกคนอยู่อย่างสุขสบายอยู่แล้วนะก็บอกว่าบางแห่งเนี่ยเล่าการลักษณะว่าประตูบ้านแทบไม่ต้องมีกรอนอะไรเลยอย่างมากกาป็ปิดปิดบังตากันนิดหน่อยเท่านั้นเองพันลูกนอนบนอกสบายๆ บ, ยบงงังคันไม่ต้องเดือดร้อนไม่มีความลําบากนะ ส่วนพระพุทธเจ้าพระนามวโกนทัญญาอันพระขีนาสพแสนโกรธแวดล้อมแล้วสเสด็จจาริกณชนบทสเสด็จจนถึงกรุงจันทวัตดีโดยลําดับเล่ากันว่าพระเจ้าวิชิตาวีทรงสดับข่าวว่าเล่ากันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จถึงนครของเราแล้วไอคำว่าเล่ากันว่าหรือที่จริงอ่ะถ้าเป็นสำนวนพระสูตรก็บอกว่าก็กิติสัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะ เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนะนะถ้าเป็นสำนวนพระสูตรทั่วไปจะลักษณะนี้แต่นี้เป็นการเรียบเรียงเรื่องแบบย่อเนี่ยนะแบบย่นย่อเอาแต่เรื่องราวเป็นไปก็พอถ้าขยายละเอียดหมดเดี๋ยวก็ว่าพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกชุดของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองมันก็เรียนพระไตรปิฎกยีิบแปดชุดอย่างเงี้ยนะชุดเดียวก็แม้อ่านให้จบเธอเนี่ยนะ มันก็ป้องการบางอย่างก็เล่าแต่รวบรัดก็พอพระเจ้าวิชิตาวีนั้นได้มีข่าวว่าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกเสด็จมาถึงนครของเราจึงออกไปรับเสด็จจัดแจงสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้านิมนต์เพื่อเสวยพัตตาหารในณวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์วันรุ่งขึ้นก็ทรงให้เขาจัดพัตตาหารเป็นอย่างดีแล้วก็ถวายมหาทาน แกพกิสุส์นับได้แสนโกรธมีพระพุทธเจ้าเป็นประธา น, น, นก็พระเจ้าจากักรพรรดิที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นคนที่ใจเด็ดมากเป็นคนที่เชื่อธรรมะเป็นคนที่มีกรรมสกตาดีมากอย่างพระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยนะได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยบอกผู้ใดก็ตามถ้าบอกข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเขาจะยกแผ่นดินทั้งหมดให้เลยเสร็จ แ, แล้วตัวเองก็จะ ไปแบบทุลักทุเลเนี่ยนะแทบจะถอดพระะเดินเท้าเปล่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้ยซ้าไปไปถึงก็บอกโอ้ยอ่านะไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าก็เลยตัดหัวตัวเองเนี่ยเป็นพุทธบูชานะคือบางองค์เนี่ยทำถึงขนาดนั้นแต่ก็อย่างว่าคือคนที่คิดแบบพระโพ ธ, ธิสัตว์กับคนที่คิดแบบเราเนี่ยปกติแล้วคิดไม่เหมือนกันนะปกตินะ แต่ไหนแต่ไรมาเมื่อไหรแต่โบราณกาลจวกปัจจุบันและอนาคตต่อไปพระโพธิสัตว์จะไม่คิดเหมือนคนทั่วไปถ้าคิดเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปก็เดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้ากันหมดเชียวแต่ยังไงก็คิดไม่เหมือนกันถามว่าเมื่อคิดไม่เหมือนกันแล้วท่านคิดยังไงก็ถามว่าถ้าท่านไม่ตัดหัวแล้วท่านจะตายไหยถ้าท่านตัดก็ตายไม่ตัดก็ตายแต่ว่าตัดแบบคนฉลาดําบุญได้บุญก่อนที่จะ ตายใช่ก็คนคอขาดปีหนึ่งเนี่ยถามมาเท่าไหร่ยิ่งโบราณแล้วเนี่ยเขาถูกประหารชีวิตตัดคอกันมากมายมหาศาลแต่ขนาดนั้นก็ถูกตัดคอกันเรื่อยเนี่ยนะอาได้บุญไม่ล่ะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมล่ะแต่ว่าพ ร, พระองค์เ น, นี่ยฉลาดนะพระองค์ก็อาศัยสิ่งที่รักที่สุดเนี่ยเป็น พุทธบูชาเนี่ยนะว่ามีผู้ที่เขาทําอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโอ้ทุกคนควรจะทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พูดว่ามีผู้ที่เขาทําเช่นนี้ก็มีแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระเจ้าวิชิตาวีนั้นก็มีความเลื่อมใสามากนีนะนะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระพิสุสง์ไปฉันก่อนแสดงว่าได้ฟังธรรมแล้วล่ะพระโพธิสัตว์นั้นทรงให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยแล้ว จบอนุโมทนา น, นะพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุโมทนาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทูลขอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เมื่อจะทรงทําการสงเคราะห์มหาทานขอโปรดประทับอยู่ในนครนี่แหละตลอดตลอดไตรมาส น, นะหมายว่าถ้าจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายพระองค์จําพรรษาอยู่ที่นี่แหละสามเดือนแล้วก็ได้ถวายอาสาที่สถา น, นนะเป็นทานที่เรียกว่า ในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะมีครั้งเดียวคืออัสธิสถานหมายถึงการให้ทานแข่งกันระหว่างชาวเมืองกับพระราชาหมายคาอว่าประชาชนชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยรวมกันพวกหนึ่งตับกลุ่มพระราชวังอีกกลุ่มหนึ่งทําบุญแข่งกันว่าสักการะของใครจะมีค่ามากกว่ากันใครจะเอาของดีที่สุดมาถวายกันนะนั่นก็จะมีการทําบุญแข่งกันแบบนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นตลอดสามเดือน ครั้งนั้นพระศาสดาก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตการว่าท่านผู้นี้นะต่อไปอีกสามอสงไขยแสนกัปจะได้เป็นพระพุทธเจ้ายสมัยนั้นเข้ารอกัอนมากนะอีกสามอสงขไขยจะได้แล้วจะได้แล้วของเรานี่ชักเลยเหมือนกันนะเลยถ้าเปียบัะวันนั้นเอ๊ะชักไปปลา ย, ลา ย, ลยแล้วเหมือนกันแผ่วๆเหมือนกันนะ พอพยากรพอพยากรณ์และพระองค์ก็แสดงธรรมแก่พระเจ้าวิชิตาวีด้วยธรรมกถาของพระาศาสดาพระเจ้าวิชิตาวีเนีย่ยนะก็มอบราชสมบัติออกอนะัชสงออกผนวดเล่าเรียนพระไตรปิฎกนะจบพระไตรปิฎกแล้วก็ทำสมาบัติแปดอภิญญาห้าให้เกิดมีฌานไม่เสื่อมก็บังเกิดในพรหมโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่า สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวีเป็นใหญ่เนื้อปัตภีมีสมุดสาครเป็นที่สุดเนี่ยนะไม่ใช่ซื้อเกาะเกาะเดียวนะนะหมายแต่ว่าแผ่นดินทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้เดียวเรายังพระขี่นาศพผู้ไร้มนทินผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่แสนโกรดพร้อมด้วยพระผู้ทรงเป็นนาถะเลิศแห่งโลกก็ถวายอาหารให้อิ่ม น, น้าด้วยข้าวน้ําอันประณีต พระโกนทัญญาพุทธเจ้าผู้นำโลกแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรเราว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ในโลกในกับต่อจากนี้กับนี้ไปนะหมายความว่าในกับที่นับไม่ได้จากกับนี้ไปเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณหาประมาณไม่ได้พระตถาคตจักออกทรงพนวดจากกรุงกระเบลพัทอันหน่ารื่นรมทรงกระทำความเพียรคือทำทุกรกิริยา พระตถาคตจักประทับนั่งที่โคนต้นอชะะอาชปารณิโครดคือต้นทรายนะรับข้าวมถุปายาตนะที่นั้นแล้วเสด็จไปสู่ฝั่งแห่งแม่น้ำเนรัญชราทุกวันนี้ก็คนที่ไปอินเดียแถวๆไม่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพนเท่าไหร่ก็จะมีต้นทรายอยู่หลายต้นเหมือนกันนะตรงนั้นร่มรื่นตรงที่เขาเรียกว่าเอาข้าวมานางสุชาดาเอาข้าวมาทุปายาตมาถวายนะ แถวบริเวณตรงนั้นก็นับว่าร่มเรืนเนี่ยนะน่านั่งเล่นสบายเยน็นนะก็ถ้าถ้าดูจากสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะบำเพ็ญเพียรเหมือนกันพระชินเจ้าพระองค์นั้นครั้นเสวยมัทุปายาที่ฝั่งเนรัญชารานั้นแล้วก็เสด็จไปที่ควงโรพพฤกตามเส้นทางที่มีผู้จัดแจงเอาไว้ ลำดับนั้นพระองค์ผู้ทรงพระยศใหญ่ทรงทาประทักษิณโพธิมันทสถานอันสูงสุดจากตรัสรู้สัมมาสัมโพธนะิญาณควงไม้อสศตพฤกท่านผู้นี้จะมีพระชนนีคือพุทธมารดา น, นามว่ามายามีพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าสุโทโธทนะ ท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะตามโคตเนี่ยนะบางทีพระพุทธเจ้านั้นชื่อพระองค์ชื่อตามโคตของพระองค์เช่นพระพุทธเจ้าโกนทัญญาก็ชื่อตามโคตของพระองค์พระพุทธเจ้าของเราโคตมะก็ชื่อตามโคตเนี่ยนะชื่อตามตระกูลชื่อตามนามสกุลอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะมีอัคระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะโกริตะก็คือพระมหาโมคลานะอุปติสสะก็พระสารีบุตร ผู้ไม่มีอาสะวะผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบและมั่นคงจกมีพุทธอุปถาคเชื่อว่าอานันทบำรงพระชินะนั้นจกมีอัคราสาวิกาเชื่อว่าเขมาและอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสะวะผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบและมั่นคงต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอสัถธต้นโพใบ จกมีอัคระอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถะอาะวกกะจกมีอัคระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระชนมายุของพระโคตมะผู้มียศพระองค์นั้นประมาณร้อยปีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังพระดำรัสของพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้เสมอนี้แล้วก็พากันปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธางกูณนะครว่า ต้นไม้ต้นนี้นะถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยนี่นี่มันหน่อโพนะเหนเป็นหน่อแห่งต้นไม้ที่น่ากราบน่าไหวพระราชาพระองค์นี้อนาคตต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาในหมื่นโล ก, กาธาตุพากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนะมัสการกล่าวว่า ถ้าว่าพวกเราพลาดคำสอนของพระโล ก, ก น, นาพระองค์นี้ใช่ในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้เนี่ยนะเพราะว่าท่านผู้นี้ต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดครั้งนี้ครั้งหน้าก็ยังพอมีโอกาสคล้ายๆกับหลายคนสมัยใหม่เขาหวังว่าถ้าพลาดศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็จะเดี๋ยวจะพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยะเนี่ยและเมตไตยะหรือพระสีอริยะเมตไตรเนี่ยนะ กขบอกว่าเออไม่ว่ากันนะแต่ว่าสเบียงให้พอกันแล้วกันนะถ้าจะรอก็ต้องมีสเบียงกันละว่างนะั้นมีที่พักพอไหมมีอาหารพอไม่มีที่อยู่พอไหมมีก็สังเกตดูหลายๆอย่างนะทําแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ทำบุญและข้ามชาตินี้ได้สำเร็จก็นับว่ามีบุญมาก เขาเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำตรงหน้าก็ถือเอาท่าน้ำข้างหลังข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันใดพวกเราทุกคนท่าว่าพ้นจากพระชินเจ้าพระองค์นี้ไปในอนาคตการก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นพระพูตธศาสนั้นพอได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือ ได้รับพยากรณจากพระพุทธเจ้าซึ่งใครก็รู้ว่าพุทธพจน์นั้นไม่มีเปลี่ยนพระวาจาที่พระองค์ตรัสเช่นใดก็จะเป็นเช่นนั้นเที่ยงแท้และแน่นอนเหมือนก้อนดินที่โยนขึ้นไปบนอากาศเที่ยงที่จะตกเหมือนอย่างว่าเมื่ออรุณขึ้นเนี่ยนะเมื่อหมดราตรีเนี่ยยังไงดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นเป็นสิ่งแน่นอนฉันใดพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาก็แน่นอนและเที่ยงแท้ฉันนั้น